รวมหัวใจชาวไทยเป็นหนึ่งเดียวเพื่อชาติขอให้พี่น้องทั้งหลายผู้รักชาติจงรวมน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อเทิดทูนชาติไทยของเราด้วยการบริจาคอุดหนุนชาติไทยของเราให้กระเตื้องขึ้นโดยลําดับ เราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันแล้วงานที่หลวงตาเป็นผู้นำนี้ไม่มีกกมีเหล่าไม่มีคู่แข่งไม่มีกรรมมีเวรต่อผู้ใดไม่ได้นำด้วยมีโลภเข้ามาแฝงเลยเป็นธรรมจึงไม่มีคู่กรรมคู่เวรไม่มีคู่แข่งไม่มีค่าศึกศัตรูไม่มีกกนั้นกกนี้ มีแต่ความสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันล้วนๆที่พร้อมเพียงกันบริจาคเพื่อชาติไทยของเราน้ำใจเป็นของสำคัญอันนี้แหละที่จะหนุนเมืองไทยของเราให้สง่างามขึ้นโดยลำดับก็คือความรักชาติความสามคัคคีซึ่งกันและกันและความต่างคนต่างเสียสละช่วยกัน ใครอยู่บ้านนอกในเมืองที่ไหนก็คือคนไทยร้อยเปอร์เซนต์เช่นเดียวกันมีสิทธิ์ที่จะหนุนเมืองไทยเราได้ทุกๆุกคนเราจงพากันหนุนเมืองไทยของเราขึ้นให้ได้สมบัติที่จะมาหนุนเมืองไทยนั้นตั้งไว้ตามโครงการก็มีทองคำดอลล่าร์เงินสด โดยปกติแล้วเราไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงินกับทองแต่ไหนจะไรมาแต่มาคราวนี้ได้เป็นเจ้าขี้เจ้าการเจ้าอำนาจเกี่ยวกับการเงินการทองการเก็บการรักษาเสียแล้วเพราะเรารักษาความแคล้วคลาดปลอดภัยในสมบัติเหล่านี้ไม่ให้รั่วไหลแตกซึมไปสถานที่ใด นอกจากจะให้เข้าสู่จุดมุ่งหมายคือความปลอดภัยเท่านั้นจึงต้องได้เข้มงวดกวดขันคำกล่าวข้างต้นของหลวงตาแสดงถึงความสามัคคีกันเสียสละเพื่อส่วนรวมของพี่น้องชาวไทยต่างร่วมฟังธรรมและพร้อมเพียงกัน ในกิจกรรมอันเป็นมงคลจึงเหมือนกับเป็นการประกาศก้องถึงพื้นฐานเดิมของชาวไทยเราที่มีน้ำจิตน้ำใจเฉลี่ยเผื่อแพ่มีความเสียสละเป็นพื้นฐานอยู่ภายในจิตใจมาแต่ดั้งแต่เดิมรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนานมาแล้วเมื่อถึงคราวยากของชาติบ้านเมือง มีความจำเป็นต้องรวมหัวใจเข้าด้วยกันและแม้ว่าทุกภาคภาษาทุกท้องถิน่นซึ่งไม่รู้จักกันมาก่อนเลยก็ตามแต่เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นก็สามารถรวมทำสามัคคีกันได้อย่างรวดเร็วแบบไม่มีทิฐิมานะไม่ถือสีถือสาไม่แบ่งกลุ่มกกเหล่ายางไม่เคยปรากฏมาก่อนเลย ตาท่านเคยพูดถึงสาเหตุที่คนไทยเรามีความกลมเกลียวเข้ากันได้ง่ายก็เพราะด้วยคนไทยมีละธรรมเป็นพื้นฐานฝังลึกอยู่ในใจนั่นเองเมื่อมีน้ำใจต่อกันแล้วจะเข้ากันได้อย่างสนิทใจท่านเคยกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าโลกเราอยู่ด้วยกันได้ด้วยอำนาจแห่งการเสียสละ คือการให้ทานต่อกันความช่วยเหลือกันมีแต่การเสียสละทั้งนั้นโลกถ้าไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการให้ทานเฉลี่ยเผื่อแผ่กันแล้วไม่มีความหมายโลกมีความหมายมากน้อยอยู่ที่การเฉลี่ยเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อกันความมีน้ำใจต่อกันนี้สำคัญมากผู้มีน้ำใจต่อกัน ฉเฉลี่ยเพื่อแผ่กันความเสียสละก็ย่อมมีได้ถ้าไม่มีน้ำใจไม่มีแก่ใจแล้วอะไรอะไรก็หลุดมือออกไปไม่ได้ทีนี้อยู่กันเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่มีความหมายคนหนึ่งจะตายดิ้นอยู่นี่ก็ไม่มีใครดูแลกันนี่แหละความไม่มีแก่ใจเพราะฉะนั้นจึงว่า มีมากเท่าไรก็ตามถ้าไม่มีความเสียสละไม่มีแก่ใจแล้วไม่มีความหมายทั้งนั้นแหละมนุษย์เราอยู่ร่วมกันจะอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่สำคัญสำคัญที่น้ําใจที่มีต่อกันอันนี้สำคัญมากชาติชั้นวัณณะมันตั้งไปตามลักษณะเฉยๆมันก็คนนั่นแหละแต่โดยหลักทาแท้คือคน เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ด้วยกันไม่ได้เกิดมาจากท้องเทวดาที่ไหนมาเกิดเป็นคนแล้วก็ว่าชาตินั้นชาตินั้นชั้นนั้นวันนะนี้ไปว่ากันไปเฉยเฉยดีไม่ดีเอาสิ่งเหล่านี้มากระทบกระเทือนกันไม่ใช่ของดีความไม่ถือกันมีน้ำใจอันนี้สำคัญมากใกล้ไกล ไปไหนไม่อดอยากไม่ตายคนเรามีความเสียสละต่อกันมีน้ำใจต่อกันคนเราย่อมสนิทกันได้อย่างง่ายดายไม่จำเป็นต้องเกิดมาในพ่อแม่เดียวกันแม้แต่พ่อแม่เดียวกันยังทะเลาะกันได้เอาถือความสนิทจิดจมจริงๆไม่ได้มันสำคัญอยู่ที่น้าใจถ้ามีน้ำใจแล้วคนเรา ย่อมเข้ากันได้สนิทต่างคนต่างเสียสละกันอย่างนี้แหละดีมนุษย์เราจะได้มีคุณค่ามีความชุ่มเย็นเป็นสุขมนุษย์นี้เท่านั้นที่มีน้ำใจต่อกันได้มากยิ่งกว่าสัตว์อื่นๆเพราะมนุษย์นี้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาป